วันนี้เป็นวันพระก่อนเข้าวรรษาเข้าวรรษาวันหนึ่งค่ำเราพุทธศาสนิกชนมีความเคารพศรัทธาในคำสอนของพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าเพราะเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบ ได้ด้วยพระ อ, องค์เองในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยวันนี้เป็นวันที่คล้ายวันก่อนเข้าพรรษาก็จะมีการสั่งสอนสนุสิตที่มาขอรับโอวาทจากพระพุทธเจ้าก่อนเข้าพรรษาเป็นวันรวมพลคนรักพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์คือผู้ดับทุกข์แล้วพระกันเดินทางมารับโอวาทจากพระศาสดามารับกันมอบหมายงานว่าในเขาวงษาเนี่ยจะทำอะไรใครจะไปเผยแพร่ปร ม, มจันดังไหนไปอย่างไรแล้วก็มารับฟังหลักการใหญ่ๆของพุทธธรรม สุภุญญาท่านแสดงเราสวดไปเมื่อกี้ง่ายๆสัพพะปาปะสะาการะนังไม่ทำบาปทั้งปวงความชั่วทั้งหลายความชั่วทำให้เป็นทุกข์นะเราก็ไม่ทำการทำความชั่วเหมือนกันทำร้ายตัวเองนะทำให้ใจใเราเป็นแผล คนโง่ชอบทําร้ายตัวเองทําให้จิตใจเป็นแผลเวลาทําความชั่วเราคิดมากพงสานปรุงแต่งมีความวิตกกังวลมีความเดือดเนื้อร้อนใจนั้นทําความชั่วเมื่อใดก็คือทําร้ายตัวเองนั่นแหละท่านบอกว่างดทําชั่วงดทําร้ายตัวเอง ความชั่วปรากฏเกิดขึ้นทางทวารทั้งสามคือกายประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางจิตกายกรรมก็มีสามวาจามีสี่มโนกรรมมีสามกายกรรมก็คือไม่ขาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมวาจาคือไม่พูดปดลด การพูดโผดก็เป็นการทำร้ายตัวเองนะเจ้าเห็นมันจะย้อนกลับมาไม่พูดส่อเสียดประชดประชันสําราญเพลจร์สำบัำบปปาปาเวรมณีปิสุนายาวาจายาเวรมณีมุสาวาจาเวรมณีพูดแต่คำสัตย์คำจริงถ้าพูดโกโหกมดเ ท, ท็ดพวกส่อเสียดพูดเพลจร์พูด หยาบคายพวกเนี่ยเป็นการทำร้ายตัวเองท้งนั้นนะต่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นว่าสิ่งที่เราทำชั่วเนี่ยคือการทำร้ายตัวเองท่านให้ห้ามห้ามห้ามห้ามทำส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยงดเว้นการคิดพยาบาทเบียดเบียนคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนอวิหิงสาสังกับปะ อภยาปาทสังกับปาดอย่าคิดเบียดเบียนใครอย่าคิดโกรธใครอย่าไปหงุดหงิดกับใครอย่าคิดปองร้ายพยาบาทใครไม่ทําชั่วแล้วก็ให้ทําความดีนะทําความดีอย่างความคิดเนี่ยไม่ทําความชั่วไม่คิดชั่วแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้คิดดีคิดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอืมทานศีลสักขะ ในคำวมคิดเรื่องการจะไปฝึกจิตตัวเองในคำวมสังกปะนิดออกบวชได้หลายคนเกิดมาจะไม่คิดที่จะไปฝึกฝนอบรมจิตตัวเองมีแต่ว่าคิดว่าจะทำยังไงจึงจะได้เยอะๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะไปอดไปทนไปฝึกฝนอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเดือนอร ม, มดอนพี่น้องมุสลิมเขา ถือศีลอดอไม่กินอาหารกลางวันคือชีวิตเราเนี่ยเราได้ซะจนเคยตัวการกินจนเคยตัวการอยู่การพูดการคุยสนุกสนานเพลิดเพลินจนเคยตัวเราไม่เคยทวนกระแสว่าชีวิตที่เกิดมาใหม่ๆสมัยเรายังเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้อะไรตามใจเท่าไหร่เอ๊ะทาไมเราไม่ทุกข์อะไรเลย แต่ปัจบันนี้ยพอเราโตขึ้นเราตามใจทุกอย่างกลับเป็นทุกข์มากขึ้นนะครเขาตึงจึงให้มีเนคขมมะไงเนคขมมะนี่คือการออกบวชเนคขมคือการข่มใจตัวเองรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ไหลไปตามกระแสความคิดความอยากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แทนที่ว่าเป็นการท่วนกระแสนอกจากไม่ฆ่าเขาก็ต้องมีให้ทาน ทานเป็นการอนุเคราะห์สงเคาะกับผู้อื่ น, นทำความดีคือทำให้จิตมันมีความดีประดับประดับใจนี่เอาความดีความงามเอาทานเอาศีลเอาภาวนามาประดับใจทานประดับใจศีลอดทนงดเว้ น, เ, นเป็นการข่มใจภาวนาคือการชำระล้างใจพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอน สจิตต์ประโยธประนังชำระใจให้มันสะอาดใจมันเหมือนแว่นตาเหมือนแว่นส่องทำเหมือนหัวหน้าหรือกลไกที่สําคัญที่สุดสาหรับชีวิตนะเราเคยดูนะัรถยนต์เรามีล้อมีตัวถังมีโน่นมีนี่แต่สําคัญที่สุดอยู่ที่เครื่องเครื่องมันนะ ถ้ารู้จักล้างเครื่องหน่อยเครื่องมันก็เดินไปได้ดีมีกําลังมากใจเราก็เหมือนกัน่ะเราไม่เคยล้างใจการล้างใจเนี่ยทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ชําระล้างมันเราเคยจะไปดีทอกท้องไส้แต่ไม่เคยดีทอกใจอืมบางคนทําความดีมากๆทําบุญทาทานมากๆใจก็สกปรก เมื่อเรากินอาหารดีไม่ดีก็ตามาะก็สกปรกนะพุทธศาสนาจึงมีคําว่าชําระใจให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดสาจิตต์ปริโยทะปะนังปริแปลว่ารอบทําให้มันสะอาดรอบนะกินอาหารเผ็ดเข้าไปก็สะกะปรกกินอาหารดีเข้าไปก็สะกะปรกนะเป็นธรรมชาติใจก็เหมือนกันคิดชั่วมันก็เพื่อนด้วยความชั่วคิดดีก็เพื่อนด้วยความดี ติดนะมันออกไม่ได้มันเป็นตะกอนเขาให้ไปดีท็อกมันออกไปล้างมันออกวิธีการดีท็อกในภาษาพระเขาเรียกว่าสาาํารอกกิเลสนะดีท็อกถ้าไม่ทําให้มันถูกต้องจริงๆมันก็ไม่ออกนะเขาว่าต้องกินนะนั้นต้องทานเท่านี้เท่านี้แก้วเทา่ท า, น, ทานั้นเป็นเวลาเวลาเหมือนกันเน่ะไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่เกิดวิปัสสนามันก็ไม่ออกนะไปดีท็อกกิเลสเนี่ยมันไม่ออก ล้างใส่ล้างปอดล้างไรเนี่ยต้องทำมันเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกในครั้งกันนั้นพันสองร้อยห้าสิบรูปแต่เป็นคนที่มีแต่ความเลื่อมใสอย่างน้อยเป็นคนมีมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจถูกต้องระดับหนึ่งแล้วเป็นเอหิพิขุปสัสมปทาก่อนที่จะเข้ า, าวันษาวันเนี้ยแสดงธรรมพวกนี้กันจะ ต่างคนต่างแยกย้ายไปฝึกฝนอบรมจิตตัวเองพัฒ น, นาตัวเองไปละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเขาเรียกว่าวันมหาสันนิบาตวันประชุมใหญ่ประชุมสงฆ์ใหญ่มากที่ไปฟังก็ยึดถือหลักการนี้ไปปฏิบัติไปชำระใจให้เขาสะอาด่าเราเรียกว่าไปภาวนาไปฝึกสติ ดังในช่วงเขา้าพรรษาอแล้วก็ควรจะฝึกฝนตัวเองมีการพัฒนาตัวเองเมื่อวานคุยกับหมอคนหนึ่งเพราะว่ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยจําเป็นไม่ต้องรักษาศีแลแปรเหมือนอยู่ที่วัดก็เลยบอกว่าศีนเป็นเรื่องที่ดีไหมดีนถ้าดีๆก็เอาไปเถอะนะเหมือนเราเห็นแก้วแหวนเงินทองมันดีก็เอา แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นว่ามันดีเนี่ยเราก็ไม่อยากรักษาเพราะอะไรเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตที่ถามว่าชีวิตมีศีลมีธรรมมันไม่ดีเหรอรักษาศีลโดยใช้สติเอาสติเป็นตัวรักษาแต่ถ้าเอากดเอาระเบียบอะไรมารักษาเนี่ยมันจะอึดอัดใช้สติเป็นศีล เขาเรียกว่าอริยกันตสินสินที่พระ อ, อริยเจ้ารักษาคือเอาสติมารักษาใจถ้ารักษาใจได้อย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรคือทุกอย่างมันจะเอาพอดีกับใจที่ปกติใจที่สะอาดใจที่งดงามใจที่ผ่องใสดังนั้นในช่วงวันเข้าพรรษาวันพวกนี้เป็นต้นไปถ้าใครมีความรู้สึกนึกคิด ตั้งใจจะทําความดีถวายพระพุทธเจ้าทําความดีถวายพระพุทธเจ้านะทําทําความดีในทําถวายใครก็ได้กับเราทั้งนั้นนะนะก็อธิษฐานเราจะเลิกจะลดจะละจะฝึกฝนอบรมจิตจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบไหนเราเลือกเอาโดยเฉพาะเรามีพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วถือว่าดีที่สุดเนะี่ย หลักการสัจธรรมเนี่ยท่านบอกไว้ทําแบบนี้ทำไปนษษษษษษษี้จิตสะอาดผ่องใสมันจะเกิดการปล่อยการวางเราทําให้มันถึงคนไหนยังไม่มีทานมีทานคนไหนยังไม่มีศีลทําศีลให้ปรากฏคนไหนยังไม่มีสมาธิทําสมาธิให้เกิดขึ้นคนไหนมีสมาธิดีอยู่แล้วยังไม่เกิดปัญญาญาณก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นจนสั้งว่าทุก มาลายหายไปเป็นจิตที่ผ่องใสตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้นําให้จิตสะอาดผ่องใสให้มันไม่มีทุกข์อย่างที่เขาบอกเป็นพระนิพพานธรรมให้เข้าถึงความเป็นพระนิพพานนิพพานคือความดับความสงบความเย็นนี่คือเป้าหมายพุทธศาสนาเข้าถึงความที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร ไม่มีไม่เป็นอะไรนะเราลองลองดูดิเกิดมานานได้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าบ้างไม่ทำถึงขั้นไหนไม่อยากให้เป็นโอ้แค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วละ่ะไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะสมบัติมันมีเยอะในโลกเนี่ยในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะแสวงหาเออได้ขนาดนี้แล้วเอาอีกเอาจนทั้งวันพ้นทุกข์เหมือนรักษาโรคเราจะรักษาพออยู่ได้ไม่ใช่ รักษาจนหายโรคถ้าเราหายโรคเราก็อยู่ได้แบบสบายโลกเนี่ยไม่มีปัญหาชีวิตดำรงชีวิตได้แบบสะดวกสบายไปไหนมาไหนก็ง่ายแต่ถ้าไม่รักษาหายไปไหนก็หงุดหงิดไปไหนก็เบือ่อไปไหนก็หน่ายไปไหนก็ครุ้นคิดติดอารมณ์มีแต่ความโลภความโกรธความหลงรุมเร้าจิตใจ คนทั้งหลายที่อยู่กับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราพูดถึงว่าจะออกจากความโลภความโกรธหลงเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องจะออกไปนั่นจะทํำยังไงอ่ะมันจะได้อะไรอ่ะเขาาเหมือนปลาอยู่ในน้ําจะพามันไปบ่อใหม่เนี่ยมันไม่ไปออกก็ไปบ่อ น, นั้น น, ะ น, น, นี่บ่อนั้นไม่สกปรกนั้บ่อนี้เดี๋ยวแห้งนะเราอยู่บ่อเน้น้อยคืออยู่กับความคิดเน้น้อยแต่ละวัน อีกสมัยมันก็ดับดับแล้วก็วิ่งหาความคิดใหม่ไปเรื่อยๆเพลินไปอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวบอ่อนี่แห้งกระโดดไปบอ่อนั้นบอ่อนี้เร า, าเอาไหมจะไปพาไปทะเลเนี่ยไปมหาสมุทรไปที่ที่น้ำไม่มีวันแห้งเราก็ไม่เอวพอจับขึ้นหน่อยที่นเพว่าตกลงไปที่เดิมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เป็นวิถีชีวิตแบบสังสารวัต ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาอันนั้นถูกอันนี้ดีอยู่นั่นแหละอายุก็แก่เข้าแก่เข้ามากขึ้นมาขึ้นความเพียรเราก็น้อยลงน้อยลงสุดท้ายสิ่งที่เราควรจะได้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการเข้าถึงสัจธรรมเรากับไม่ถึงเรากับไม่ได้เราได้แต่เปลือกเปลือกมันก็ดับทุกข์ไม่ได้นะเพราะดับทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเราเกิดมาเนี่ยเหมือนเกิดมา สังหาสัจจะทำเกิดมาเพื่อทําความพ้นทุกข์มาทําความดับทุกข์ให้แจ้งเหมือนที่เราสวดนะทำฉะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้มันไม่ชัดสติเห็นทุกข์ไม่ชัดถ้าเห็นทุกข์ชัดก็จะกลายเป็นอนัตตาที่เราไม่เห็นทุกข์ชัดเดี๋ยวนี้เกิดมามาทําให้ทุกข์มันปรากฏชัดชัดชัดขึ้นชัดขนชัดจทังว่าโอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะไม่อยากทุกข์ เดนี่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักทุกทุกมันไม่ชัดทุกมันเดี๋ยวหวานเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวเนี่ยทุกมันไม่ชัดเพราะอะไรเพราะปัญญาเยถะมันไม่มีอะปัญญาเยทะติเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เราขาดก็คือสติปัญญานี่แหละก็เลยมาฝึกฝนสติปัญญาเพื่อการเห็นสัจธรรมถ้าเราสามารถรู้เห็นสัจธรรมได้ สิ่งที่เราเคยเคยเป็นทุกข์เคยมีปัญหาเราก็จะรู้ว่าทุกข์คือทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นทุกข์มาเป็นสุข ม, มีความเบื่อนสุดท้ายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นสงสาวกเป็นอนุพุท ธ, ธะเป็นผู้เข้าถึงธรรมะรู้ตื่นเบิกบานตามรอยพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาพบสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือพ้นทุกข์ไป มีมรรคผลเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะ่ะนับถือพุทธศาสนาเหมือนกับว่าจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่เรายังไม่ออกสตาร์ทอายุห้าสิบหกสิบปีละเราก็ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มฝึกฝนยังไม่เริ่มพัฒนาแล้วทําอายุมันมากกว่านี่ละ่ะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนทุกวันกิเลสตัณหาราคาเกิดขึ้นทุกวันแล้วเรามี ความคิดว่าเราหวังหรอหวังว่าจะพ้นทุกข์ได้หรือชีวิตเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสเสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติต่อไปไม่รู้เราจะเกิดเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเราจะเกิดได้เป็นอะไรและจะมีโอกาสได้ภาวนาหรอมีโอกาสได้ทำบุญทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมาธิทาสมถะทำวิปัสสนามันนาจจะไม่มีโอกาสนะนะ พอแค่เราทำบุญทำทานอะไรที่มันเป็นแบบพื้นฐานตื้นๆทำดีและชั่วแค่นี้เราก็ยังลำบากละนับภาษาเลยกับการไปเพิ่มบุญบารมีกับตัวเองด้วยการทำวิปัสสนาดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายพลาดโอกาสกับการเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยศา ส, สนาพุทธมันมีคำสอน ทุกระดับตั้งแต่อยู่ในโลกอย่างไม่มีทุกข์จนทั้งพ้นโลกเป็นผู้อยู่เหนือโลกเป็นผู้วางโลกเดี๋ยวนี้เราเป็นคนแบกโลกแบกโลกเราก็บอกว่านักหนักนะักนักโลกทักดับชีวารู้สึกว่านักนะหนักเรื่องนั้นดักเรื่องนี้แบกหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่เราตะโกนว่านักหนักเนี่ยเราไม่รู้จักวางภาระไม่รู้จักปลงวาง ถ้าเราวางได้เราก็ไม่หนักหนักความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหนักราคะโทสะโมหะวางไม่เป็นน่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโลกโล ก, โลกโลโกโลกโลกคือจิตโลกคือทุกข์โลกคือชีวิตเราไปแบกมันมากนั่นเราจะหาความสุขความสงบให้กับชีวิตนี่หาไม่เจอทั้งที่มาเจอพุทธศาสนาน่าจะได้ไประโยชน์จากพุทธศาสนาฝรั่ง พวกชาวต่างชาติเนี่เขาเจอพุทธศาสนาพูดคุยกับพระนิดหน่อยได้ยินได้ฟังเขาฝึกเลยเนะพราะเขาแสวงหาของเราเองเห็นแต่เหมือนว่าเป็นธรรมชาติแล้วคือมันเคยมันคุ้นเคยจนทั้งว่าไม่ได้เห็นความสําคัญที่จะหยิบอะเนีย้ยเหมือนไก่เจอพลอยมันคุยเขีย่ยอาหารเขีย่ยขี้เขี่ยอะไรเขี่ยไปเขีย่ยมาไปเจอพลอยมันก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรนะเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศ พอสนใจพุทธศาสนา น, นี่โยมชวนนัตมาไปเปิดวัดที่มอสโกที่รัเสเซียนี่ขนาดประเทศคอมมิวนิสต์เก่าๆเลยเขายังเอาใจใส่มากประเทศรัเสเซียเดี๋ยนี้เป็นประเทศที่ขอพระธรรมทูตมาเยอะมากที่ไปเปผยแพร่ในรัเสเซียเนี่ยในยุโรปจะมีรัเสเซียเนี่ย แถวบ้านเรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาพระสงฆ์ผู้นำจิตวิญญาณอะไรเรามองเหมือนไม่มีอะไรต่างนะฮะไม่มองเห็นอะไรที่มันแตกต่างเบางทีมองเห็นเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนดินที่เอามาประดับกายเท่านั้นเองไม่ได้มองว่าจะเอาประโยชน์จากการนับถือวุฒิสัจจะหรือการพบพระสงฆ์ข้าเจ้าผู้ที่ปฏิบัติสามารถชี้นําเราได้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะเอาปานนั้น ท่านหลายๆค น, นหลายๆท่านที่มาจากทางไกลมาจากปักใต้ปักเหนือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่คือผู้สแสวงหานะสแสวงหาสแสวงหาครูสแสวงหาผู้ชี้นําที่แนะแสวงหาที่ฝึกฝนสแสวงหาสหายหมู่มิตรคณะเพื่อเกิดความสัพเยะอันเป็นเหตุปัจจัยต่อการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อจะปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าให้มีชีวิตสะอาดผ่องใสสวยสดนดงามนะชีวิตงาม ด้วยธรรมอาธิกัลยาหนังเบื้องต้นมีศีลประดับกายมีทานประดับกายมัดเชกัลยาหนังงามเพราะมีสมาธิมีความปกติของใจปริโยสานักรยานังเป็นคนงามเพราะมีวิปัสนาญาณมีการเห็นแจ้งมีการหลุดพ้นออกจากกิเลสตัหา มีความใสสะอาดของชีวิตปรากฏเกิดขึ้นนี่คือความงามแท้ในพุทธศาสนานะไม่เหมือนทางโลกทางโลกเอาเครื่องกินเครื่องผัดเครื่องทาไปย้อมหมอมเมาแต่พุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนให้งามเหมือนกันทั้า ง, งามแบบนี้เขาเรียกว่าธรรมังอภรนังเศษถังศียเป็นเสื้อผ้าเป็นอาภรณ์ที่งามที่สุดที่มนุษย์ควรจะสวมใส่ธรรมะเนี่ยทั้งศีล งามระดับหนึ่งสมาธิงามขึ้นมาระดับหนึ่งใจมันงามศีลประดับกายสมาธิประดับใจวิปัสนาอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนใส่ใจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสละโอกาสที่จะได้สวมชุดสวมเครื่องทรงเสมืมสวมเครื่องประดับตกแต่งเราสวมซะหามาใส่ ที่ผ่านมาจิตมันวิ่งว่อนแล้วแต่มันจะไปแต่นี้เราพบแล้วที่อยู่ของใจเราเราก็หาแสวงหาทำไมจะมีที่อยู่ของใจตัวที่ไม่ต้องวิ่งว่อนแสวงหาเนี่ยถ้าเจอเราถือว่าเราไม่เสียชาติเกิดละเกิดมาเนี่ยเราได้เห็นสัจธรรมละแทนที่เราจะอยู่กับความปรุงแต่งวิ่งไปหาพี่คนนั้นหาน้องคนนี้อุ่นวายเราวิ่งเข้าหาตัวเองชีวิตเนี่ย วิ่งเข้าหาตัวเองหาพระในตัวเองนยนะพระคือจิตที่มันไม่เป็นทุกข์เนี่ยหามันให้เจอถ้าเราเจอสภาวะอันนี้เราสบายนะแล้วถือว่าเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้ละในบรรดาสิ่งของมีค่าตั้งหลายมีเงินทองแก้วแหวนเพชรนินจินดาแต่สุดท้ายนี่เขาจะรวมอยู่ที่รัตนะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยเป็นยอดของสิ่งมีค่าทั้งหลายทั้งปวงขอให้เราเจริญในเอามีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยศีลก็มีสมาธิก็มีสติปัญญามีแต่เราขาดการเจริญในให้มันเป็นเพชรมันแวววาวขึ้นมาทัา น, นพอมาเอากิเลสตัณหาออกเอาความคิดความปรุงแต่งอดีตนะโคตออกเอาความทุกข์ที่มันปรุงแต่งจิตออกแก้วอันนี้ก็จะแวววาวสดใสนะ สามารถเป็นที่พึ่งสามารถนำทางชีวิตเราได้ไปไหนก็ส่องสว่างได้นี่แหละเาเรียกว่ารัตนไตรวันสันาบูชาเดือนแปดเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำกับประสงค์ทั้งหลายเป็นพันๆรูปบว่าเอาให้ได้นะชีวิตเนี่ยเกิดมาเข้าถึงให้ได้ต่ถาคตก็เป็นคนธรรมดาปฏิบัติทำแล้วเกิดปัญญาลูแจ้ง เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายก็เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่แจ้งถ้าปฏิบัติก็เกิดการเห็นแจ้งปฏิบัติก็เกิดการพ้นทุกข์ได้เหมือนตถาคตท่านจึงกล่าวว่าตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วนํามาสอนเธอทั้งหลายเพื่อให้เธอทั้งหลายได้สามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์เหมือนเราตถาคตถ้าเธอปฏิบัติตามเราตถาคตเธอก็จะพ้นทุกข์เหมือนเช่นกับเราตถาคตได้อย่างแน่นอน ดังนั้นใครบอกเก่าแนะนํากับเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสวงหาสมบัติของมนุษย์ให้ได้นะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีอยู่แล้วในใจเราอนะถ้าเราฝึกฝนพัฒนาก็จะสามารถพบเห็นและได้ใช้ประโยชน์จากการพบสมบัติอันนี้ยอย่าเก็บสมบัติเอาไว้แล้วตายจากมันไปโดยไม่มีประโยชน์เลยเนยะ หาไม่ได้เจอเถอะนะเอาอนุมูตนา